ใส่ใจให้ดี <c oughs> ตั้งใจรับฟังให้ดีอันดับแรกนี้ให้กาหนดลมหายใจลึกๆหายใจลึกๆผ่อนออก หายใจอีกหายใจลึกอีกผ่อนออกเอาเอาอีกสังเกตเห็นลมหายใจกระทบตรงไหนในจมูกของเราให้ตั้งสติไว้ตรงนั้น งสติคอยรู้ลมอยู่ตรงนั้นลมหายใจเข้าก็ให้กำหนดรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออก คอยรู้การเข้าออกของลมอยู่ที่จมูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อจิตสงบแล้วลมหายไปก็จับแต่ความรู้สึกว่าไม่มีลมนั้นไว้ไม่ต้องกลับมานึกถึงลมอีก อารมณ์หายใจมันสงบลงจนมีอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งคือเป็นเอกับข้าตาภาษาบาลีว่าภาษาพระพุทธเจ้าว่าเอกับข้าตาแปลว่ามีลมอันเดียวต่อไปมันลึกลงไปกว่า น, นั้นอีก ลมก็ไม่มีลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีเลยคอยคอยกาหนดรู้ว่าไม่มีล ม, มให้คอยรู้สึกอย่างนั้นตลอดลมก็มีอะไรก็ไม่มีมีแต่รู้อย่างเดียวให้กำหนดเอารู้ไว้ยอย่างเดียว จิตเป็นสองสำคัญถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันก็ไปตามอำนาจของมันอำนาจของมันก็คือกิเลสนั่นแหละจะพาไปไปทางราคะบ้างไปทางโทสะบ้างไปทางโมหะบ้าง มันจะไม่สงบลงได้ไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางลิ้นทางรสทางกายและทางใจเองมันจะไปอย่างนั้นตามอำเภอใจของมันหรือตามความเป็นไปของมัน เราจะไม่เห็นว่าวันหนึ่งๆนี่ใจเราสงบอยู่อีกครั้งเราไม่เห็นเลยเห็นแต่ว่าเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเรื่องโน้นเข้ามาสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นให้แก้ไขกิจที่ฟุ้งซ่านส่งไปในอารมณ์ต่างๆไม่สามารถทําความสงบใจให้เราได้เราจะไม่เห็นมนุษย์ ไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นภพ ม, มโลกไม่เห็นนิพพานในใจเลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องคอยกำหนดรู้ลมนี่แหละคอยให้ดีการกำหนดรู้ลมก็เพื่อที่จะทำใจที่ไม่สงบนั้นให้สงบลงเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียว การกระทำอย่างนี้ถ้าทำเป็นแล้วชำนิชำนานแล้วหรือมีมากมีผลแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติของมันอยู่ตลอดเวลาถ้ามีมากมีผลแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเรายือนอยู่เฉยๆมันก็เห็นลมหายใจเข้าออกเรานั่งอยู่ก็เห็นลมหายใจเข้าออกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำนะ แต่มันก็เห็นแต่มันก็รู้อันนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติเต็มที่แล้วนะ่เราจะมีสติอยู่กับลมตลอดเวลาจะ ก, กำหนดหรือไม่กำหนดมันก็เห็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียก ว, ว่าเราภาวนาเป็นแล้วหรือภาวนาผ่านแล้วได้ดีแล้วว่างั้นเถอะ ให้ตั้งใจปฏิบัติขอยกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆถามันวิ่งหนีไปทางอื่นมันไปคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้เอากลับมาไว้ที่เดิมคือที่ลมกระทบนั่นแหละลมกระทบตรงไหนก็ตั้งรู้ไว้ตรงนั้น เราก็เห็นลมผ่านออกผ่านเข้าเหมือนเขาเลื่อยไม้เนะี่ยเลื่อยสองทางนะสองดามนะดึงกันไปดึงกันมาเราจะเห็นว่ามันออกมันเข้ามันออกมันเข้าอยู่ที่จมูกของเราอันนี้เรียกว่าถ้าเราทำแล้วจิตเราสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งก็ถือว่าเราทำสมาธิเป็น เมื่อกิดเป็นหนึ่งแล้วก็เอากิจที่เป็นหนึ่งนั่นแหละไปพิจารณากายแต่เทศอีกกวันต่อไปพิจารณากายให้เห็นเป็นธาตุเป็นขันเป็นอะไรต่างๆจนสามารถได้ดืมดำธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าในใจ เห็นจุกอันวิเศษสูงสุดเกิดขึ้นในใจของเราเห็นความสงบเยือกเย็นภายในใจชุ่มเย็นได้หมดแหละคอ้เราทำอย่างนี้แหละเรื่อยๆไปหนึ่งคอยเฝ้าดูสองรูอารมณ์อยู่ตรงไหนกระทบตรงไหน ลมกระทบตรงไหนตั้งความรู้ไว้ตรงนั้นอย่าบาังคับสอย่าบาังคับอย่าบังคับความรู้สึกหรืออย่าบาังคับว่าต้องไม่คิดไม่นึกมันอยากคิดอยากนึกอะไรก็ให้มันคิดไปนึกไปแต่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจสนใจแต่ว่าลมเข้าลมออกความคิดนึกก็ไปไม่ได้ พอเราไม่สนใจมันแล้วมันก็ว่างมันก็มาอยู่ในการหายใจออกหายใจเข้านี่แหละจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งดิ่งแน่วลงไปสงบลงไปละเอียดลงไปการปฏิบัติมันก็ไม่ยากมันไม่ยากเกินความจำเป็นหรือความตั้งใจของเรา พอให้เราทำให้มันถูกมันจะเป็นไปของมันเองความสงบจะเกิดขึ้นแก่เราความเป็นหนึ่งจะเกิดขึ้นในใจของเราความละเอียดอ่อนในธรรมจะเกิดขึ้นที่ใจของเราอย่าบังคับอย่าบังคับความรู้สึก ปลยให้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันเหมือนกับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่เราเคยใช้อยู่ทุกวันนั่นแหละแต่เรามาตั้งสติกำหนดรู้ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้เห็นลมเข้าเข้าออกเขาออกเบาๆไม่ต้องบังคับตั้งใจไว้อย่างนั้นแหละเรื่อยๆ นั่งก็ตามนอนก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยๆอันนี้จำไว้ให้ดีให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยเรื่อยๆติดต่อกันไป แม่ทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ให้มีสติเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดไปภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่มีอันนี้สงอใหญ่คือตัวในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงน้ำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติ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 คือกายะสังขารให้ระงรับอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงรับอยู่หายใจออกวย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ ให้ใจออกเถยย่อมทําการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขใหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขให้ใจออกเถ่ยย่อมทําการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิต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 เตอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเตอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลือ อยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู ill, <out> ่เป็นประจำหายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจํ หายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ดังนี้ลมหายใจนะมีมากวิธีปฏิบัติมีมากถึงสิบหกวิธีแต่เรา ตั้งต้นเอากำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกก่อนลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราเห็นเรารู้ก็ไอคอยรู้ค อ, อยเห็นอยูงี่แหละถ้ามันละเอียดแล้วมันก็เป็ียนไปตามนั้นทั้งหมดนั่นแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่ละเอียดปานนั้นเราเพิ่งเริ่มต้นฝึกขัดตั้งสติอยู่กับลม ตั้งรู้อยู่กับลมอยู่ที่จมกูกคอยดูกันแนะแต่บางคนเพ่งนั้นน่ะถ้าเพ่งมันไม่ถูกคอยรู้เฉยเฉยถูกอย่าบังคับคอยรู้เฉยเย ถ้าเห็นลมเข้ายาวค่อยๆรู้ว่ามันเข้ายาวนี่เป็นขั้นที่สองนะขึ้นไปขั้นที่หนึ่งแล้วแต่วิธีปฏิบัติต้องเริ่มต้นจากอยู่ที่จุดเดียวก่อนอันดับแรกหนึ่หายใจเข้ายาวคอยรู้ว่าเราหายใจเข้ายาว เราหายใจออกยาวควายรั่วเราหายใจออกยาวคอยสังเกตดูถ้าเราบังคับการหายใจจะสั้นเข้าเราก็คอยรั่วลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น คอยรู้กิจสงบลงไปเห็นกายทั้งป่วงก็คือเห็นลมหายใจทั่วทั่วทั้งกายทั่วทั้งหมดเลยลมออกเข้าตรงไหนรู้หมดทั่วทั้งตัวเรรู้กายทั้งหมดคือคือลมรู้ลมหายใจทั้งหมดนั่นแหละ ระงับกายสังขารคือเห้นลมค่อยๆลมเบาเบาลมงเงยน็นลมน้อยนิดเดียวแต่เบื้องต้นนี้ให้กำหนดรูลมให้ใจเข้าออกอย่างเดียว ถ้าเริ่มต้นถูกมันก็ถูกไปทั้งหมดนั่นแหละถ้าเริ่มต้นไม่ถูกมันก็ไม่ถูกไปทั้งหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฝึกเบื้องต้นเนี่ยต้องให้ชำนิจํานาญเรายืดอยูาาเอยเย่เราก็สามารถกำหนดลูลมได้เรานั่งอยู่เฉยๆเราก็สามารถกำหนดลูลมได้ เราเดินไปเราก็สามารถกําหนดรูลมได้เรานอนอยู่เราก็สามารถกําหนดรูลมได้ใจเราไม่คิดนึกเรื่องอื่นเลยอยู่กับลมอย่างเดียวเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงๆนะพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้องค์ก็ทำอนาปานาสตินี่แหละ ไปนึกถึงสมัยเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบที่ไปวันแรกนาขวัญ น, นะนั่นแหละนั่งอยู่ต้นว่าก็เข้าสมาธิเลยกิจสงบลงเป็นปฐมฌานเงาของต้นว่าไม่เอียงไปทางไหนเลยขนาดพระอาทิตย์ค่อยลงไปแล้ว พงค์ก็มาทำอย่างนี้แหละครับวันที่จะได้ตัดสู่ก็มากำหนดโรนไม้เจเข้าออกเพราะวิธีอื่นทามาหมดแล้วไม่เป็นทางตัดสู่เลยเพราะฉะนั้นจึงมาทำวิธีนี้ให้ละเอียดลงไปถึงสิบสิบหกวิธีจนพงค์สามารถตัดสู่เป็นพระสมมาสำุทธเจ้าได้ เป็นนาอาจารย์จริงๆนะกำหนดลมหายใจอย่างเดียวสามารถชำระ ก, กิเลสต้องสิ้นได้หมดเลยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยพงค์จิงสอนเรื่องอนาปานาสตินี้ไว้พิสดารมากในสติปัฏฐานสี็เอามาแค่สี่อันกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน กำหนดลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นรูกกกกนก้กายทั้งพวงระงับกายทางขานทั้งพวงกายทั้งปวงก็คือลมหายใจนั่นแหละระงับลมก็คือลมเบาเบานั่นเองอันนี้เราสอนไม่ถึงไม่ละเอียดปานนั้นเอาแค่ว่าเราทำสมาธิให้จิตสงบเป็นสมาธินี่ ก็ได้ผลได้ประโยชน์พอเพียงอยู่แล้วขอให้เราทำเป็นให้ทำต่อไปเรื่อยๆ